อิจฉาพวกมีเสื้อหนาวพวกเราหลายคนนะก็ไปทำบุญโรงพยาบาลอนะไรเงี้ยเขียนโน้ตมาบอกหลวงพ่อไวนะ้พ่อก็โมทนาด้วยไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องไปทำอย่างนี้นะมันมีความเป็นมาคือแต่เดิม หลวงพ่อเคยไปปล่อยวัวปล่อยควายอะไพวกเราตามไป ท, ทำบุญด้วยกันปีละครั้งนี่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปหมอไม่ให้เข้าใกล้หวกวายด้วยนะก็เลยชวนพวกเราเปลี่ยนแทนที่จะทำบุญวัวปวายก็มาช่วย คนยากคนจนทําบุญลงบาลในพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องมารวมกลุ่มกับหลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่ได้ไปเองหลวงพ่อก็ฝากคนอื่นไปเหมือนกันในวดัดก็รวมฝากคุณแม่ไปพ่อก็เก็บเงินที่พวกเราให้เก็บเก็บไว้นะ ได้เป็นก้อนๆแล้วไปทำบุญบ้างอะไรบ้างได้ได้ล้านหนึ่งนะได้ล้านหนึ่งนี่ต้องเศรษฐีนะทำบุญทีละล้านนะ <c oughs> จริงไม่รวยหรอกนะไม่ได้บอกว่าพวกเราทุกคนต้องทำนะแค่ว่าใครอยากทำก็ทำ แล้วทำแล้วปลื้มใจอยู่คนเดียวก็ไม่ว่าอะไรทำแล้วจะบอกให้หลวงพ่อนุโมทนาด้วยก็ไดนะ้เป็นการฝึกพวกเราว่าจะทำความดีนะไปทำด้วยตัวเองไม่ต้องก่อกลุ่มไปทาอะไรหรอกต้องมีผู้นำอะไรไม่ต้องเป็นการที่เราสร้างความดีในยความ ตั้งใจใยเจตนาของตนเองเป็นบุญที่ใหญ่นะบุญที่ใหญ่มากกว่าอ mm ่อนแอก็มีคนมาชวนมาบิ้วอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปใง mm ้ hmm. ความดีมีโอกาสทำก็ทำไปนะ mm hmm. จริงๆก็คือจะทำบุญวันเกิดหลวงพ่อนั่นแหละถ้าที่อื่ น, นเขาก็จะรวมกันจัดงาน มีเทศโตรุง่งหลวงพ่อไม่อยากทาลุนพวกเราเทศโตรุง่งพระไม่เดือดร้อนนะพระหลวงพ่อมีทั้งยี่สิบปลัดกันมาคนละชั่วโมงก็เกินโตรุ่งแล้วนะ <c oughs> มันไม่มีความจำเป็นจะฟังเทศโตรุงนะ่งอะส่วนใหญ่วัดกรรมฐ า, านก็ทำอย่างนั้นแล้วเช้าก็ใส่บาท นะงานพิธีการในวัดกรรมฐานมีแค่นี้จริงๆมีเทสกับมีใส่บาตรเท่านี้แหละไม่มีอย่างอื่นหรอกบมโระสมโพธอะไรไม่มีนละนี่เทสหลวงพ่อก็เทศเป็นประจำอยู่แล้วใส่บาตรก็สอนพวกเราไปใส่เอาเองนะเวลาใส่บาตรก็ใส่ให้มันเป็นสังฆทาน วางใจไหมสมมติเรามีข้าวอยู่เทัพพีหนึ่งเนะี่ยเราทําสังฆทานได้นะแล้วก็เราไม่ต้องไปเลือกใส่องุ่ไหนองไห น, หไหนแล้วกําหนดจิตว่าเนี่ยเราขอถวายแก่สงใส่บาทวัดบ้านเนี่ยอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นสังฆทานแต่วัดกรรมฐานเนี่ยใส่แล้วเป็นสังฆทานแน่นอนใส่องไหนก็เป็น ตั้งใจไว้ว่าเราทำสังฆทานวัดกรรมฐานนะพระได้ข้าวมานะบางวงได้มากบางวงได้น้อยบางวงไม่ได้เลยพระจะเอาข้าวทั้งหมดมาเทรวมกันแล้วก็ตักแบ่งกันไปตามมีตามได้วัดหลงพ่อเนี่ยถ้าบิณบาตจริงๆก็พระอยู่ได้สามวง ชาวบ้านเหลือน้อยเต็มทีที่ใส่บาตรคนหนุ่มคนสาวตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานหมดแล้วเหลือคนแก่ใส่บาตรคนแก่ทุกวันนี้เริ่มโดนเดี่ยวลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยแนละ้วคนแก่ถ้ายากจนลงยากจนลงนะทีก็เจ็บไข้ไม่สามารถจะใส่บาตรได้มงคนใส่แล้วก็ตายไปเลยใส่จนตายจำนวนคนที่ใส่บาตรลดลงเรื่อย อยพวกเพ้อฝันนะบอกว่าเราไม่ต้องถวายปัจจัยนะพระพรามีหน้าที่ไปบิณถบาทเนยะพวกนี้ไม่ได้มองโลกอะว่าไม่มีที่จะบินถบาทนะ้ตามหมู่บ้านไปบิณถบาทนะไม่มีคนเช้าขึ้นมาหมู่บ้านก็ลางนะเมื่อก่อนพระก็ชอบไปเดินในตลาดนี่อะไรเงี้ยคนก็ว่าพระมาเดินตามตลาดเจก้าห้ามไปเดินเดินได้แนตะห้ามยืนอยู่ ทุกวันนี้คนไม่ไปตลาดแล้วคนเปลี่ยนมิถีชีวิตคนอยู่บนตึกร้านค้าร้านอาหารก็อยู่บนตึกกันทั้งนั้นห้ามพระเข้าไปบินธบาติเข้าไม่ได้ห้ามพระเข้าศูนย์การค้าเข้าไปมันก็น่าเกลียดแต่ที่จริงก็คือคนเขาอยู่กันที่นั่นจะไปบินธบาตรกเทวดาก็ทำไม่เป็นเคยได้อ่าน ครูบาอาจารย์องโโน่องนองนี้อยู่ในป่าไม่มีใครใส่บาตรท่านก็แผ่เมตตาแล้วก็เดินไปที่ต้นไม้แล้วเปิดฝาบาตรไว้บางองค์ไม่เปิดหน้าบาตรไปค่อยไว้ไเปิดฝาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเก็บมาัพื่อมีอาหารไปฉันได้มีข้าวเป็นก้อนๆฉัน ถ้าระดับหลวงพ่อไปทองธรรมนะเปิดออกมาอุ้ยกิ้งก่าลงไปอยู่แล้วะอยากจะให้เราฉันก็ไม่ได้นะยังดิบๆอยู่นะพระต่อไปก็อยู่ยากนะไม่มีจะอยู่ไม่มีจะกินลําบากแต่ว่าพระที่อยู่ได้คือพระกรรมฐานพระกรรมฐานนี่อยู่ได้ พ็มีฉันก็ฉันไม่มีฉันก็ไม่ฉันสบายนะอยู่ได้อดบ้างมีบ้างก็อยู่ได้นะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็นะใช้ตามมีตามได้ที่อยู่อาศัยไม่มีกุฏิอยู่ก็อยู่โคนต้นไม้ก็นะอยู่ได้เบสิกมีในมั่มนิดของพระกรรมทานนะต่ำ ต่ำมาแต่ไม่ใช่พระในเมืองไม่ดีนะพระในเมืองบางทีท่านก็เรียนหนังสื อ, อรักษาสืบทอดาศาสนาไปอีกแนวหนึ่งในพระในเมืองน่าอุทาน อ, อยู่กินยากบางวัดมีเมนแต่ไม่ใช่พระทุกองในวัดจะได้ประโยชน์จากเมนนะก็มีกลุ่มมีพวก พวกนี้ยึดเมนไว้ก็หากินได้พวกไม่มีเมนก็อยู่ไม่ได้อุปชาหลวงพ่อนะท่านเป็นคนชอบคีดมมกตลกท่านบอกเดี๋ยวนี้ตามวัดในเมืองนะมีพระครูอยู่เพิ่มสองตำแหน่งพระครูบริหารชาปนากิจกับพระครูพี่ชิตสังฆทานมีเพิ่มสองตำแหน่ง และครูบริหารชาปนกิตหมายถึงเป็นพวกที่มีอิทธิพลคุมเมนไว้เลยใครจะมาเผาผีต้องติดต่อกลุ่มนี้นะแล้วก็พระกลุ่มเนี้ยเขาจะมีทีมไปสวดกลุ่มอื่นนอกทีมไม่ได้ไปอะะนไม่มีไรายได้มีไรายได้เวลาสวดเขาก็าให้ตังค์พระข อ, องพวกพระครูพิชิตสังฆทานนะ <c ười> คอยเฝ้าอยู่หน้าวัดอยู่ซุ่มอยู่ที่ประตูวัด เห็นคนเข้ามาก็รีบไปถามเลจะทำอะไรโยมทำสังฆทานะทำได้เลยนะทราบไปคนเดียวนะพระพระดีดีนะลำบากนะพระนาดานก็พออยู่ไฟพระดีดีถ้าดีจริงๆิงก็อยู่ได้นะนก็อยู่ท่านได้พระปริยัติพระปฏิบัติเนะีย ถ้าเคารพในพระธรรมวินัยนะไม่ขัดแย้งกันไม่ได้มีปัญหากันตอนหลงพ่อไปโรงพยาบาลสีลาดรอบหลังเนี่ยไปตรวจไ่นัสแกไปเฟอร์รอฟให้มะเร็งต่บน้ำเหลืองไปตรวจว่าจะมีอะไรไหมไม่มีมีเรื่องไ่นัสไปนอนคืนหนึ่งได้มีพระเทระผู้ใหญ่ ท่านเป็นระดับไม่ธรรมดาะระดับสมเด็จเป็นนักปราดที่ยอดเยี่ยมเลยในยุคนี้เข้าไปกราบท่านท่านก็คุยกับเราดีนะอาจารย์ปาโมตเป็นยังไงยังไงรู้จักไม่ใช่เพื่มาท่านรู้จักหรอกตอนกราบลาท่านวผมกราบลาท่านอาจารย์เรียกท่านว่าอาจารย์ คำจริงต้องเรียกพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณเอ่ยเงชื่อถ้าพูดเป็นเต็มยศนะเรียกท่านท่นทน า, า, ท า, าทนอาจารย์ท่านไม่ว่าผมลาท่านอาจารย์แล้วบอกอขอเวทพรอนะให้สุขภาพแข็งแรงให้มีกำลังเผยแพร่ศา ส, สนาทำประโยชน์ทำความสุขให้คนจำนวนมากท่านให้พรนี่แปลว่าอะไร แปลว่าที่เราทําอยู่โอเคนะถ้าที่เราทําอยู่แนละ้วไม่เข้าตาท่านท่านจะพูดอีกแบบฉันารยพระโมโหรสุภาพไม่ค่อยดีพักเยอะๆไม่ต้องสอนหรอก <laughs> ไปอีกแบบนึ่งเราก็เออพระผู้หลักผู้ใหญ่นะท่านก็เห็นว่าที่เราทําเป็นประโยชน์กับคนจนํานวนมากเป็นประโยชน์กับพระศาสนาท่านก็สนับสนุน ท่าไม่ต้องมาช่วยอะไรเรานะแค่ส่งสัญญาณนี่คือการส่งสัญญาณไปทำอีกไปะไปทำเยอะๆคล้ายๆนี่จริงๆพระสายปริยัตินะที่ท่านดีจริงๆอนะแต่พระสายปฏิบัตนะิไม่ได้มีปัญหากันแต่โยมเนะโยมที่ชอบปริยัติกับโยมที่ชอบปฏิบัติเนะี่ยชอบกัดกันนะความจริงกัดกันข้างเดียวแะะ พวกปฏิบัติไม่ค่อยไปตีกับใครนะพวกเรียนปริยัติร้อนวิชาไลสัดหลวงพาอเลยต้องเรียนปริยัติเหมือนกันนะตอนก่อนจะบวชเนะี่ยไปวันมหา่านเลยไปคว้านซื้อตำราอภาิธรรมมมีกี่เล่มเอาหมดได้มาเยอะเลยกล่าวว่าภาวนา จนสบายใจแล้วเราจะมานั่งอ่านดูเ อ, อนั่งอ่านเออก็ถูกนี่ก็ดีนี่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นจากการปฏิบัติที่เขาว่าเรียนยากนักหนาไม่ยากหรอกมันคือความจริงถ้าเราเห็นความจริงของรูปนามแนละ้วการเรนะียนอภิธรรมจะไม่ใช่เรื่องยากหรอกอภิธรรมก็เรื่องของอะลรจิตเจตสิกรูปนิพพาน มีแปิชนิดอเงี้ยเราพอวนาไปเราก็เห็นว่าจิตทำงานยังไงมีวิธีจิตวิธีจิตมีหลายแบบก็ถูกอย่างบางทีเรามองเห็นสัญญาณรูปนั้นเข้ามาที่ใจมาแป ล, แลเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นอย่างนี้ก็มีบางทีตาไม่ได้ดูไม่ได้ฟัง ฉมูไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รสกายกระทบสัมผัสไม่ได้กระทบแต่มันขึ้นมาที่ใจเลยเนื่อวิถีบางอันเนี่ยขึ้นที่ใจโดยตรงไม่ไปผ่านที่ตามานะมีหลายแบบแล้วถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่แรงเนี่ยกระทบนิดนิดหน่อยหน่อก็สลายไปถ้าเป็นอารมณ์ที่แรงก็ปรุงแต่งต่อปรุงเป็นดีปรุงเป็นชั่วพวกเราภาวนาเห็นไหมก็เห็นนะแค่เรียกชื่อไม่เป็นเท่านะเรียกชื่อไม่ถูกนะไอ้พวกคลั่งตำรามกัดเราแทบตายเลย หงพ่อเลยเรียกชื่อถูกเลยไม่มีใครมาจมตีเลยช่วงนี้ก็แค่นั้นแหละตั้งอกนั่งใจภาวนาไปเออนี่ว่ารอบสองยังไม่เทศน์หลืบอีกแล้ะอดเทศไม่ได้เอ้าส่งกันบ้านใครที่ส่งแล้วจะไม่ส่งอีกก็ไม่ว่านะก็ส่งไม่ไปให้ผมทำแบบเดิมต่อไปได้ครับ ให้ผมทำแบบเดิมต่อไปได้ไหมครับจิตตอนนี้ไม่เข้าฐานดูออกปะ่ะครับจิจิมเจ้าไปข้างนอกนะครับไม่ต้องทําอะไรหายใจเรารู้สึกซิหายใจเรารู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกไหมจิตมันกลับเข้ามาแล้วเกิดถจิตหนีออกไปให้รู้ทันว่าจิตหนีไปนะนี่มันก็จะกลับมาบหายใจไว้ก็กลับมาละง่ายๆ ไม่เห็นยากในกรรมฐ า, านนะผมยังฟุ้งซ่านหลงนานแล้วก็ยังใจไม่เป็นการมันก็ภาวนาดีขึ้นมาเยอะแล้วนะยังขันน่ยมันก็แยกเป็นธรรมชาติอยู่แล้วดีก็หัดตูบ่อยๆใส่ใจไวนะ้มีความใส่ใจที่จะปฏิบัติมีไดงขยันดู กันดูสติก็จะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิก็จะมากขึ้นความเข้าใจคือปัญญาก็จะเยอะขึ้นถช้เมาเปิดเล้าแต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะจิตอย่างนี้จิตตรงนี้ซื่อบื้อแล้วรู้สึกไหมนะไม่ทำอย่างนี้เสียหายอ่ะค่นะนมัสการค่ะ คือถ้าในรูปแบบหนูเดินจงกรมอะค่ะอยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่ามาเดินซิเดินจงกรมที่จริงคือเดินรู้สึกตัวนะขั้นแรกนะเดินรู้สึกตัวขั้นต่อไปก็คือเดินเห็นความจริงของตัวหนีไปคิดแล้ว <laughs> เดินรู้สึกตัวอจิตหนีไปคิดเราหยุดแล้วพอรู้สึกตัวแล้วเดินใหม่่ะ เดินไปเลยสิเนี่ยหนีไปคิดตรงเนี้ยจิตมันหนีไปคิดแล้วก็หยุดก่อนแล้ว ร, รู้สึกตัวแล้วค่อยเดินใหม่หันไปแล้วก็รู้สึกตัวเมื่อกี้จิตมันเดินแล้วเท้ามันยังไม่ได้เดินรู้สึกไหมจิตมันไปก่อนเท้าแ ล, แล้วกายกระใจให้สัมพันธ์กันเดินจงกรมนะร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกไป บางทีใจร้อนใจไปก่อนนะเท้ายังไม่ได้ไปอย่างเงี้ไม่ดีหรือเท้าไปแล้วใจหนีไปที่อื่นอย่างเงี้ไม่ดีนะไปเดินบ่อยๆไปเดินอีกเดินได้ดูอีกรอบแน่นรู้สึกไหมใจแน่นๆนะ่ะถ้าแน่นแแสดงเริ่มบังคับแล้วนะอ่าไปนั่งไปรู้สึกไหม ใ, หใจโล่งขึ้น <laughs> การเดินจงกรมเนี่ยหมายถึงทุกก้าวที่เดินนะด้วยความมีสตินะเดินจงกรมไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาถ้าเดินกลับไปกลับมาแล้วไม่มีสติเรื่องเดินเรื่อยเปื่อยเดินทรมานตัวเองอย่างช็อปปิ้งอยู่มีสติเรื่องเดินจงกรมนะอย่างนี้หนูควรจะท่องพุทโธพุทโธไม่ต้องมากอะหนูแค่เดินอย่างนี้แหละ แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจตนเองไปนะเดินแล้วจิตนีไปคิดก็รู้อย่างไม่เกี้จิตอยากพูดรูนะ้สึกหมดันเฮือกขึ้นมาเยอะจิตอยากพูดก็รู้ว่าจิตอยากพูดเดินไปนะจิตจิตนีไปคิดรู้ว่าจิตนีไปคิดนะเดินไปแล้วก็เกิดสงสัยว่าไอ้ที่เดินอยู่นี่ดีไม่ดีนะรู้ว่าสงสัยเดินเราก็อ่านจิตตนเองเป็นชอ็ชอตๆไปนะไปพยาาเอา แล้วอย่างนี้วิหารธรรมจำเป็นจะต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติในรูปแบบไหมคะก็ถ้าเราเดินเอาก็คือใช้กายเป็นวิหารธรรมอยู่ในกายานุปัสนาในบัพรพาที่เรียกว่าอิริยาบถบัพระยืนเดินนั่งนอนด้วยความมีสติเดินมีสติแล้วยืนเดินนั่งก็ต้องมีสติด้วยนะเราะเราจะมีสติตลอดวันเลย เพราะทั้งวันก็คื อ, อยืเนเดินนั่งนอนอะต่อไปกล่าวณมส ก, การหลวงพ่อครับอสองวันที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วก็ได้รับฟังคำชี้แนะก็เข้าใจและมั่นใจในแนวทางของหลวงพ่อมากขึ้นนะครับทีนี้จะไปปฏิบัติต่อไม่ทราบว่าจะทำปฏิบัติยังไงเพื่อให้ไม่เนิ่นช้าอะไรย่างเงี้ยไม่เนิ่นช้าเหรอมักน้อยสันโดษฝักใฝ่ในความสงบนะ ไม่คลุกคลีปรารบความเพียรนะสนใจที่จะปฏิบัติรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาขอประคุมครับหลวงพ่อครับเอาคนนี้ก่อนเดี๋ยวสอบกลับไปธรรมศึกษาหลวงพ่อนะครับผมเพิ่งมาส่งบ้านหลวงพออ่อครั้งแรกนะครับแล้วก็ ผมปฏิบัติมาห้าปีแล้วครับแล้วก็หลงทางไปหลายปีรู้สึกไหมตอนนี้จิตมันมีกำลังขึ้นครับนะทำดีแล้วละพอเราปฏิบัติไปนะจิตมันจะเริ่มมีพลังครับนะมันจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนือ้อรู้รตัวมีแรงไม่ป้อแปะล้มเหลวนะสะสมไปครับผมตอนนี้อีกนิดนึงนะครับหลวงพ่อสภาวะที่รับรู้เนี่ยในการนั่งมันสว่าง แต่ครนี้มันไปอยู่ตรงสรภาวะที่มันสว่างจ้าตลอดเวลาจนตอนนี้มันไม่ทราบว่าจะไปไหนต่อยอย่างเงี้ยครับรู้ว่าสงสัยสงสัยว่าจะไปไหนดีครับเ น, นี่ยดูจิตเป็นชดชดอย่าไปจมอยู่กับความสว่างเท่านั้นแหละถ้าจิตอยู่ที่ความสว่างรู้ว่าอยู่กับความสว่างนะจิตออกนอกนะจิตไหลไปหาความสว่างมันเคลื่อนดู อ, อกไหมดูออกครับ น, นั่นแหละรู้ทานว่าจิตออกนอกนะครับ แล้วเดี๋ยมก็กลับมาเรรู้ว่ามันออกนอกมันก็กลับมาครับขออีกสองของเรื่องหนึ่งนะครับคือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยครับคือตอนนี้เนี่ยผมเห็นใคระจะใช้ชีวิตนอกโลกโอของผม <c oughs> ในในในโลกในในในโลกของสมาอาชีพนะครับคือหลังจากที่ผมใช้ผมดูหลวงพ่อมานานนะฮะก็เอาไปปฏิบัติเจริญสติอย่างเงี้ยครับในในระหว่างวันนะครับก็จะเห็นถึงการที่เรา ไม่พอใจในเรื่องความคิดที่มันต่างแต่สุดท้ายเราก็มาดูตัวเองดูที่จิตภาวนาหมั่นภาวนามากจนจิตมันเป็นกลางคราวนี้เนี่ยความสงสัยคือผมก็ต้องกลับไปยอมคนที่เขาขัดแย้งด้วยตลอดเวลาเลยทั้งที่มันอาจจะไม่ถูกในบางเรื่องอะไรอย่างี้ถ้าถูนะขัดแย้งไปแล้วเกิดประโยชน์หมมันไม่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ก็ยไปขัดแย้งมันในโลกนี้เต็มไปด้วยคนโง่ มันทะเลาะกับคนโง่เราก็โง่กับมันนั่นแหละเรารู้อันนี้ไม่ถูกพูดเราไม่ฟังช่วยไม่ได้แต่อาจจะมันเสื่อมเสียต่อบริษัทอะไรอย่างนี้ได้มันก็บริษัทของเราป่ะของเราครับของเราเองเหรอไล่มาออกไปไม่ไม่ใช่ไปทนเลี้ยงคนบ้าไว้นะ ทำธุรกิจก็คือธุรกิจแต่ไม่ได้เอามาจิตมีเหตุมีผลนะแต่บางทีเราก็าต้องวัดใจตัวเองนะอย่างคนที่โต้แย้งกับเราหรือคิดอะไรบ้าๆนะบางเวลามีประโยชน์นะบางเวลามีประโยชน์นี่าเรามองอะไรเงี้ยไอ้คนเพียเพ้ยนเพี้ยนนี่มันมองอีกมุมหนึ่งนะแล้วสังคมทุกวันเนี้ยเปลี่ยนแนวมากเลยการที่เรามองอะไรได้หลายๆด้านนี่ยมีประโยชน์แล้วล่วนะแต่ถ้าประเภท งโง่แล้วขยันนะเอาไว้ไม่ได้นครับแม่ผู้เรียนเคยสอนนะถ้า <ส einen. S 1> ถขยันแล้วฉลาดไปเป็นแม่ทัพได้ถ้าฉล า, าดแล้วขยันไปเป็นแม่ทัพได้ถ้าฉล า, าดแล้วขี้เกียจไปเป็นเสนาธิการคิดอย่างเดียวไม่ต้องทําครับนะถ้างโง่แล้วขี้เกียจเอาไปเป็นพลทหารได้นะถ้างโง่แล้วขยันเอาไปหญิงเป้านะ อยู่ที่ไหนก็ทำเจ็งที่นั่นนะกาบหลวงพ่อ้อาใครจำเป็นฟงุงซ่านรู้ไหมจิตตอนนี้ฟงซาน เ, เพราะงั้นต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธก็ได้แล้วมันจะฟุ้งไม่นาน ถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ยังไม่เกียจจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็ร่อนแล่เวลาหลงจะหลงยาวปกติผมจะมีการเคลื่อนไหวเป็นวิญหาธรรมครับอช่วงหลังเหมือนกับมันมันจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ฮก็เพิ่มเครื่องอยู่ให้เข้มแข็งขึ้นให้เข้มข้นขึ้นนะบางทีเครื่องอยู่ที่เราทําเนี่ยมันซ้ํำซากจนใจมันไม่สนใจจริงละ อาจจะเพิ่มความรู้สึกเข้าไปเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปนะพอดีประพาณเดือนที่ผ่านมาอยู่ๆมีอะไรมาสกิดใจผมก็ไม่ทราบรู้สึกเหมือนกับกลัวแล้วก็ตกใจออหลังจากนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่เคยปฏิบัติมันก็ลืมหมดออนะจิตมันเสื่อมไปนะก็อาจจะมีช่วงหนึ่งเผลอไปทำโมหะสมาธิออแล้วพอรู้ว่ามันไม่ใช่ก็เลิกไป ค่อยๆฝึกไปนะความตกใจความกลัวตอนนี้มันก็ลดลงแล้วดูออกไหมนะมันก็ไม่เที่ยงมันตกใจมันทำเรากว่า น, นี้ดีฟอนะจิตแตกกระจายไปจิตมันแตกไปรู้สึกเปล่านะจิตมันแตกเวลาจิตมันแตกเย่า น, นี้สิ่งที่ดีที่สุดในการเชื่อมจิตของเรากลับเข้ามาคือลมหายใจใหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปนะ จิตที่มันแตกกระเจียกระใจด้วยความตกใจมันจะกลับมาอย่างคนโบราณมันจะชอบเรียกว่ากรรมฐานแตกจิตจริงสติแตกแตกกระใจกลับมาให้ใจเข้าพูุให้ใจออกโทธไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างทําเล่นๆไปนั่นเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมีพลังที่จะเดินต่ออยู่ข้างหลังนะ ค่ะก็มีกันบ้านมาถวายหลวงพ่อะค่ะก็คือครั้งครั้งที่แล้วหนูบอกว่าหนูเริ่มเห็นว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่เราอะค่ะแต่ว่าหลวงพ่อก็เมตตาบอกว่าไม่รักษาแล้วก็พยายามชี้ให้ดูว่ามันไม่ได้เห็นตลอดเวลาในการที่ไม่มีเราทีนี้ตอนนั้นหนูก็แค่รู้ไปตรงๆว่าหนูเห็นว่ามันมีเราแต่ว่ายังไม่มีเครื่องสังเกตว่าว่าอะไรจนกระทั่งมีก็ดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อที่หลวงพ่อ <c oughs> พูดับท่านหนึ่งไว้อะคะ่ะว่าทําไมเรายังเชื่อแน่นแฟนอยู่ลึกๆว่ามีเราอยู่ก็คือหลวงพ่อฉเฉลยว่าเพราะความคิดทีนี้ตอนนั้นพอจิตมันสนใจขึ้นมาเลยมันก็พยายามไปทวนดูอะคะ่ะแต่มันไปรู้อีกทีหนึ่งว่ามันไม่ได้มีความคิดอะไรหยาบๆแบบนั้นนะคะ <c oughs> มันเป็นความคิดละเอียดที่ <c oughs> เราดีเทคไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เราก็แค่รู้ว่ามันคิดหรือ <c oughs> มันปรุงเองทีนี้พอเราจับทางได้เราก็เลิกสนใจใใคล้ายๆว่ามันจะยังคิด ก็ปล่อยมันคิดเหมือนมันเป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะทีนี้สุดท้ายพอเราสนุกกับตรงนี้ไปเรื่อยๆอค่ะวันหนึ่งอะค่ะมันก็เริ่มเอะใจอะค่ะว่าแล้วเราเห็นได้ยังไงว่าตัวผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่เรา <c oughs> มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ ท, ที่มันต้องเป็นคนเห็นไม่งั้นเราจะเห็นไม่ได้ทีนี้เราก็เริ่มไปดูว่าสภาวะเมื่อก่อนที่หนูเห็นจนทำนานแล้วก็คือมีสองสภาวะก็คือมีจิตผู้รู้ที่ไปรับ อารมณ์ต่างๆอะค่ะแล้วมันเหมือนเริ่มเพเยเฉลิฐชิดๆนิดนึงที่ให้เราเอกใจว่ามันมีตัวเห็นอีกตัวหนูหนก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะค่ะตรงเนี้ยก็เลยแต่รู้ว่ามันสําคัญนะคะก็เลยอยากจะมากราบหลวงพ่อว่าเหมนก็คือจิตเห็นจิตนั่นแหละจิตดวงใหม่ไปเห็นจิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆหนูดูตรงนี้ดีกว่า หนูเห็นไหมจิตของหนูตอนเนี้ยมันมีเราที่ชัดกว่าเขาก่อนดวออกไหมค่ะนั่นแหละดีนะมันมีอยู่เราไม่ได้ไปกลบมันไว้เขาก่อนเรากลบมันไว้ค่ะตอนเนี้หนูเห็นไหมมันยืนพื้นอยู่เลยนั่นแหลดีมันเกิดจากความปรุงแต่งละเอียดนั่นแหละถูกแล้วค่ะแล้วก็ที่หนูจะมาทวนก็คือว่าพอมันย้ําดูตรงนี้มันมันก็สนุกดูแล้วก็อยากจะมาถามหลวงพ่อว่า ที่มันชิดหรือเพเยระเนี่ยค่ะมันชิดมากแต่ว่าถ้าเราดูหรือสังเกตพฤติกรรมมันไปเรื่อยๆมันรู้ทันไปเรื่อยๆอ่ะวันนึงมันจะค่อยๆเป็นตัณหามันจะทำลายเชื้อของมันข้างในนะมันเหมือนเราต้มน้ำร้อนไปไอน้ำมันก็ดันฝาหม้อกระทกกระทกได้รู้สึกไหมจิตมันกรเดิดขึ้นมาตัวที่ผลักขึ้นมาคือตัวตัณหาตัวที่ทาให้มีตัณหาคือตัววิชา เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปตามลําดับอย่ารีบร้อนนะค่ะเราเราตัวตัวที่มันแวบรู้ตรงเนี้คะ่ะหรว่า ม, มันมีสติไปรู้แล้วมันมันจริงๆมันมีความเบาคล้ายๆตัวผู้รู้แบบนี้คะ่ะแต่ว่าเป็นตัวผู้รู้ที่ฉลาดเป็นตัวผู้รู้นะตั้งมัน่นสติระลึกรู้สภาวะตัวนั้นแหละตัวผู้รู้ที่ดีเป็นตัวผู้รู้ที่เจริญปัญญาได้ แล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยมีภาระกับไม่มมีันสังเกตว่าที่มันเดี๋ยวนี้มันยากนิดนึงมันก็รู้ว่ามีสองอย่างที่มันเคลื่อนถ้าเราถ้าเราไม่ยึดมันเห็นกระบวนการทํางานว่าที่มันเห็นอีกตัวหนึ่งอะค่ะว่ามีสามสิ่งตัวเนี้ยที่มันเห็นมันเห็นว่าถ้ามันไปโดดไปจับตัวตัวผู้รู้แล้วถึงรับอารมณ์ต่างๆได้อย่างนี้ทีหนึ่งนีะค่ะก็เลยเราไม่รักษาตัวใดตัวหนึ่งนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้น อย่าิ้นรนค้นคว้าไม่หาคําตอบนะรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะแจ่มแจ้งคือเกิดตัญญาขึ้นเองถ้าเรายังเจือการดิ้นรนค้นคว้านี่ยมันยังเจือการคิดอยู่ค่ะค่ะพอเห็นว่ามันละเอียดมากเออทิ้งมันไปะนะตามรู้มันไปโง่โงโงไ่ไฉลาดเอาตัวไม่รอดหรอ คคุณคหนูภาวนาได้ละเอียดมากนะแต่ใจมันยังอยากได้เมันก็ะดิน้นลนทนกว่าอยู่นะและสตรงที่มันอยากได้นะมันก็มีตัวมีตนขึ้นมาแล้วโด น, นอยู่ข้างหลังกราบแลมาสการหลวงพ่อค่ะอืมคือยังมีกดกอยู่อะค่ะดี แล้วก็มันไม่ยอมดูตรงๆอะค่ะมันชอบฉลับก็ไปดูซะสิมันมันแฉลับตลอดเนี้ยเแน่นใจ<ช>มันไม่มีสมาธิไม่ฉลับไปฉลับมาะพุทโธไปหายใจไปสมาธิ่็เพิ่มมันก็จะไม่ค่อยฉลับอันนี้ใจมันแฉลับเพราะสมาธิไม่พอเพิ่มสมาธิขึ้น ในข้างหลังวาดไปนรักสการค่ะหลวงพ่ออที่ผ่านมาเริ่มจะเห็นแบบเจริญสติในชีวิตประจําวันได้แล้วก็เห็นสัำคาญมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มันโรคมันจะห่างๆแล้วก็ไม่อินกับโลกอะค่ะหลวงพ่อโลกาะวอะไรนะมันห่างๆไปแล้วก็ไม่ค่อยอินนะคะถูกเส็แล้วมันก็ช่วงเนี้จิตมันจะแบบเริ่มกลับมาเล่าร้อนแล้วก็แบบอมันจะรักดีอยากจะเห็นสภาวะที่ดีๆเหมือนเดิมนี่ไหมหลวงพ่อ ก็รู้ไปว่าใจมันโลภมันโลภด้วยค่ะใช่มั น, มนโลภ <ไป S 2> แล้วก็ร้อนร้อนค่ะเออเนี่ยแหละรู้อย่างที่มันกาลังเป็นอยู่มันเป็นอะไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้ตามดูไปเมื่อเช้าก็บอกนะการภาวนาเนี่ยบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมเป็นทุกคนแลเวลาเราเสื่อมนาใจก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาเราทาไงไม่ต้องทาหรือไม่ใช่เสื่อมขึ้นมาก็ทำสมถะไป มันมีแรงขึ้นมาก็กลับไปดูต่อไม่แค่นั้นแหละว<ม>นไปวนมาอยู่ัแน่จะทําอีกไหมม า, าท้อแทะอยู่ที่ไหนกับนมัสการ์ค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนหลวงพ่อยังไม่เห็นเลยเอ่าว่าไปปีที่แล้หนูได้มีโอกาสส่งการบ้านกับหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูติดเพ่งที่กายและจิตถลับลงไปในกายค่ะ ตอนนี้ก็ยังเพ่งเหมือนเดิมค่ะเพ่งน้อยลงแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนี่นแหละมันดีขึ้นแล้วล่ะนะแต่จิตมันยังมีโมหามันยังมั ว, ม, วมัวอยู่นิดนึงดูออกไหมตเนี้ยดูออกค่ะใช้ได้มีโมหารู้ว่ามีโมหา่าไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะเราจะถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งค่ ะ, ะหนูเห็นจิตเคลื่อนลงไปในกายค่ะ มันเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งคือเหมือนมันกดเข้าไปแล้วหนูจะรู้สึกตัวแข็งนั่นแหละเราเพ่งอ่ะนั่นเพ่งกาย ม, มันไปออกในชีวิตประจาวันค่ะทุกครั้งที่หนูใช้การทำงานโดยการเคลื่อนนิ้วเช่นการเลื่อนเมาส์ในการทำงานมันจะยิ่งเพ่งค่ะเมื่อกี้หนูก็ลำคาญเราก็ไปใช้กรรมฐานอื่นสิดูจิต ด, ดูใจเราไปเราเคยฝึกแบบเพ่งกายมามันก็ไปตามที่มันเคยชิน คอยรู้ความรู้สึกไปแต่ที่หนูเห็นนี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกหนูยังติดเพ่งน่มันเพ่งกายอย่างแรงแค่ไปขยับนิ้วก็เพ่งเรียบร้อยแล้ะจิตมันชำนาญในการเพ่งดูค่อยอ่านความรู้สึกของตัวเองแทน ด, ดูจิตใช่ไหมคะใช่ขอบคุณรู้ทันความรู้สึกไป ส่งไห ม, มาม้างหน้ามาส่งมาเนี่ยถ้าไม่ได้ถามจะเสียใจแต่หลวงพ่อกลัว ก, กลัวนะว่าไปสวัสดีเจ้าค่ะเออจะ้าสาวถามว่าจิตหนึ่งเห็นจิตนั้นนะเจ้าค่ะอะไรนะจิตเนี้ยเจ้าค่ะเห็นจิตเนี้ย มันหลายไปตามสภาวะต่างๆมันหมุนไปเรื่อยๆอ ม, มันมีทั้งดีไม่ดีแล้วก็ว่างแล้วมันก็ไปอย่างเนี้ยของมันนะเจ้าค่ะส่วนจิตจิตหนูใช้ใช้คำที่หนูเข้าใจคือจิตเอกจิตหลั ก, กะค่ะเจ้าค่ะมันไม่ได้ไปสนใจจิตนั้นที่ไปเกาะเกี่ยวกัน กัสภาวตนี่ไงที่หลวงพ่อบอกให้เอกี้วงพ่อเรียกแล้วหลวงพ่อก็กลัวกล <c oughs> ัวหนูเพิ่มตัวนี้ขึ้นเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มกว่านี้เจ้าค่ะความรู้สึกตัวอ่อนไปเจ้าค่ะพาลาดอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ลบกวนอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะเมื่อถึงน่ะสภาวะที่จิตจะถึงตรงนั้นแล้วน่ะเจ้าค่ะมันมันจะอธิบายว่ามันเหมือนกับ จะสลายไปในในความนั้นนะเจ้าค่ะอยากจะสนใจมันนะเพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มแข็งขึ้นความรู้สึกตัวอ่อนไปเจ้าค่ ะ, อะขอบคุณเจ้าค่ะเนี่ยอ่อนเงี้ยเนี่ยเหนะถ้าใจเป็นอย่างนี้นะความรู้ที่เกิดเนี่ยมันหลอกเราเชื่อไม่ได้นะก่อนนักการหลวงพ่อครับปฏิบัติได้สี่ถึงห้าเดือนแล้วก็ดูคลิปหลวงพ่อประมาณเดือนนึงแล้วครับก็เลย ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเดือนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดครับนั่นแหละดีนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนั้นแหละนะใช้ได้สาธุครับหลวงพ่อนิมนนะครับ